วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลท่านผอเอขตสี่ได้พาคณะครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นเข้ามาสู่วัดหลวงพ่อวันนี้มาตักบาตรทาบุญแล้วก็เมื่อวันที่ยี่สที่ผ่านมา29้าพฤศจิกาทั้งท่านพิพากษาหัวหน้าศาลของจังหวัดอุดรทั้งสี่ศาลท่านได้รวมกัน บวชพระเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชพระชนมายุพระองค์แปสพระพรรษาเจ็ดรอบถือว่าเป็นปีนี้ถือว่าเป็นปีม ง, มงคลมหามงคลของประสบในกรชาวไทยของพวกเราที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปกครองประเทศชาติเป็นพระมหากษัตริย์ที่อายุยืนยาวองค์หนึ่งแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ว่าในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเนี่ยองไหนที่ยืนยาวที่สุดแต่ ว, ว่าองค์ของ ป, ปัจจุบันเนี่ยคงจะไม่แพ้องค์อื่นเหมือนกันนะอายุ84พระพันศาแล้วก็ทําคนอุปการให้แก่ประเทศชาติชาติไทยของเรา นานับประการต่างพวกเราได้ดูการการทำงานรละว่า ก, การทํางานของพระองค์ผลงานของพระองค์มากมายมหาศาลที่โครงการพระราชดําริกี่โครงการทั้งพระบรมราชินีด้วยทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็ถือว่า ชาติไทยของเราประเทศชาติของเรานะพ่อเป็นประเทศชาติที่โชคดีส่วนหนึ่งที่ได้พระมหากษัตริย์เป็นผู้นำแล้วก็พัฒนาประเทศชาติไม่ให้พวกเราทั้งหลายฟุ้งเฟอ้เวอว่าจนเกินไปพระ อ, องค์อยู่แบบพอเพียงคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระ อ, องค์คำนี้จะใช้ได้นานเท่านานทีเดียว ถ้าประเทศไหนก็ตามที่ใช้แบบฝุ่มเฟอ้อฟุ่มเฟือยลืมตัวประเทศนั้นโดยมากจะหัวขำม่ำตกเหวตกบ่อแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามชาติใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นั่นนะครอบครัวนั้นบุคคลคนนั้น จะอยู่ด้วยความพาศุขหาก็ให้รู้จักหาไม่ให้งอมืองอเท้าเมื่อหาโดยทางสุจริตได้มาโดยสุดจริตแล้วก็ให้รู้จักเก็บควรจะแบ่งใช้อย่างไรเพราะการได้มาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราเนี่รู้กว่าใครทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้หาในเมื่อเราหามาได้ขนาดไหนเราจะใช้จ่ายยังไง แบ่งใช้ใจ่ายยังไงถ้าเราใช้เกินตัวล้าก็แปลว่าไม่เศรษฐกิจไม่พอเพียงเพราะเราใช้เกินตัวแต่ถ้าเราใช้รู้จักประมาณในการใช้รู้จักเก็บอีกต่างหากไม่ใช่ว่าใช้ทั้งหมดควรจะแบ่งเก็บเท่าไหร่เก็บไว้เพื่ออะไรอันนี้เราก็ต้องถามตนเองว่าเราเก็บไว้เพื่ออะไร เก็บไว้เพื่ออนาคตอนาคตเรามองไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตวันพรุ่งนี้มืนน่อนี้เราเก็บไว้เผื่อเอาไว้ถ้าว่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยตัวของเราป่วยไข้หรือว่าทำการทำงานไม่ได้แต่เราทำอะไรไม่ได้เราก็จะได้ใช้เงินส่วนนั้นส่วนหนึ่งถึงจะเป็นเงินส่วนราชการที่เบิก ได้ได้เก็บใข้ได้ป่วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเขาจะให้ทั้งหมดเราต้องมีเผื่อเอาไว้เหมือนกันสําหรับเราเก็บไว้เพื่ออนาคตเมื่อหามาแล้วก็รู้จักเก็บด้วยรู้จักใช้ด้วยใช้กระใ้ให้เป็นไม่ใช่ว่าได้มามือขว า, ขวาแล้วก็ทะลุมือมือซ้ายได้มือจับมือซ้ายแล้วก็เวี่ยงไปมือขวาแปลว่าหมดแลแ้วเจ้าพวกเราจะ เศรษฐกิจจะพอเพียงได้อย่างไรอันนี้ก็คือในหลวงที่ท่านแนะนําประสบดีกรของพระ อ, องค์ท่านถือว่าวันที่ห้าที่จะถึงวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันที่ห้าที่จะถึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งของชาติไทยเป็นวันพ่อแห่งชาติคำว่าเพียงแต่ว่าพ่อคําเดียวท่านนั้นก็ยังเป็นเครื่องคุ้มครองอบอุ่นต่อพวกลูกๆทั้งหลายถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในประเทศชาติในช่วงใด คณะใดแท่านก็ออกมาห้ามปลามพวกเราก็อยู่ในด้วยความสงบร่มเย็นผาสุขแต่มีคราวนี้นะ่ะมีคราวนี้น้ำท่วมกรุงเทพหลายจังหวัดพระ อ, องค์ท่านาาาก็อายุมากท่านอายุมากที่จะมาบอกกล่าวไอ้ผู้ที่ฟังนะี่ก็คงจะดื้อรั้นตือด้านพอสมควรน่ะ พระ อ, องค์ท่านก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพออายุมากแล้วเหมือนกับพ่อแม่ของเราอายุเจ็ดสิบแปดสิบอย่างนั้นะจะมาสั่งสอนลูกกําลังมีกําลังวังชากําลังหัวรุนแรงเนี่มันก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าฟังทีมงานของพระ อ, องค์ท่านเอามาปรึกษาปรารถแล้วก็ฟังแล้วก็นํามาศึกษา หลวงพ่อว่าคงจะไม่เกิดรุนแรงถึงขนาดนี้เพราะพระองค์ท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมานมนานรู้จักทางหนีทีไร่น้ําเป็นยังไงดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสู้กับน้ํามาไม่ลวกกี่ภาคต่อกี่ภาคจะวิธีการแก้ไขอย่างไรอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็เนี่ยจะทํำยังไงทํำยังไงได้ เสียหายก็เสียหายไปแล้วล่ะจบไปแต่ตำหนิกันก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันแต่ว่าผิดพลาดไหมลุงพ่ออยู่ในป่ารงพงไพน์ลุงพ่อว่ามองดูแล้วผิดพลาดทำไมเอาคนอยู่บกไม่เคยอยู่กับน้ำเลยเอาไปบริหารเรื่องเรื่องบริหารน้ำไอ้พูดบริหารน้ำเออก็ไม่ได้ออกมาช่วยช่วยกันแต่ตาม่จริงผู้ที่รู้เรื่องน้ำก็ต้องออกมาพูดเรื่องน้ำเออ รู้เรื่องของทางบกทางอากาศทางทะเลก็คือหน้าที่ของใครของเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้นะหลวงพ่อถึงจะไม่ไดเ้เรียนไม่ได้ศึกษาสูงส่งปริเญ็าเอกเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเนี่ยบวชมาตั้งแต่เป็นสนัมเาณีอายุสิบเอบสอปีเป็นสนัมมาณีศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องหลักธรรมวินยัยเรื่องภาคปฏิบัติศิ้น ทำยังไงสมาธิเปียังไงปัญญาเปียังไงสมถะเป็นยังไงวิปัชนาเปียงไงหลวงพ่อศึกษามาทางนี้โดยตรงหลวงพ่อเขามั่นใจว่าคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้กว่าพวกท่านทั้งหลายเพราะพวกท่านทั้งหลายมีแต่รู้ทางโลกวิชาทางทางโลกเป็นครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนอย่างไรในคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเรือวิชาต่างๆที่พวกเราจะ สอนนักเรียนหรือสอนครูบาอาจารย์ก็นันเป็นอีกแขนงหนึ่งแต่หลวงพ่อหน่งหลวงพ่อก็มั่นใจว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยึงศิลวินัยของพระของพระโดยเฉพาศิลวินัยของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนอย่างไรสอนครวัตอย่างไรสอนพระสงฆ์อย่างไ ร, งงไรและผู้ปฏิบัติอยู่ในป่าโรงพงไพจะทําอย่างไร ใช้กรรมฐานอะไรเดินนิปัญชนาอย่างไรในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็ได้ศึกษามาทางนี้เพราะว่าวิชาในโลกมีมากลากหลายจนคณาหาประมาณไม่ได้แต่ขณะวิชาแพทย์อย่างเดียวหลวงพ่อก็เคยยกขึ้นมาหมอตาไม่เก่งหมอหูหมอหูไม่เก่งหมอจมูกหมอจมูกไม่เก่งหมอผิวหนังหมอกระดูกอหมอตับหมอไตหมอลำไส้หมอทางเดินมีเยอะแยะแต่ละ แต่ละหมอก็บรรยายเกิดหลายอย่างเหมือนกันอันนี้คือวิชาหมอวิชากฎหมายก็เหมือนกันกฎหมายแผงกฎหมายอาญากฎหมายไหนต่อกฎหมายไหนอีกเยอะแยะไปหมดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเรือกฎหมายอากาศคู่ควันน่คือยังมีกฎหมายยานอวกาศอีกคุ้มครองโลกอีกมีต่างเยอะแยะอีกพวกการดูด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบอันนี้ก็คือ การศึกษามีมากลากลายเพราะนั้นพวกเราทุกท่านอยู่ในสถานะไหนพยายามทำดีในสถานะนั้นๆให้ดีที่สุดอย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในสถานะเป็นหัวหน้าวัดเป็นเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในสถานะที่เป็นหัวหน้าวัด มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องควรจะแบ่งปันอย่างไรที่ได้อติเลกอติเลก ล, ลาบมาจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรก็มองดูไม่ใช่ว่าจะเอามาแต่บำหงพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระพุทธศาสนาอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ได ส, ไดสถาบันอยู่ได้เพราะนั้นเราเมื่อเป็นหัวหน้าเราก็ต้องได้คิด จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างไรในเมื่อชดไทาญาติโยมพี่น้องลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ควรแนะนําสั่งสอนเขาอย่างไรให้มีศีลธรรมจริยธรรมอย่างไรในแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละคณะเนี่ยอันนี้ก็คือผู้เป็นหัวหน้าวัดก็ต้องได้คิดให้ความอบอุ่นกับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาใกล้แล้วก็พร้อมกันก็ จะเหลือเพื่อแพ่สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุ ก, ท ก, ทกมุมทุกเหล่าอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การวางตัวในสถานะที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพอ อ, อที่หลวงพ่อนั่งดูอยู่เนี่ยลุนแล้วจะเป็นพออเกือบทางนั้นพออใหญ่ก็คือ เขตสี่ของเราสพอทอเขตจังหวัดอุรุสิทธิ์สี่ของเราที่ท่านเป็นหัวหน้าที่มาพามาแต่นอกนั้นลงมาเกิดหลวงพ่อมองดูล้วนแล้วะเป็นพอโอรงเรียนต่างๆในเขตปกครองพออใหญ่ต่อหน้าพออเล็กโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาหลวงพ่อขอย้้ำเตือนอย่างที่หลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่ออยู่ในสถานะ ที่เป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็พยายามทำให้ดีที่สุดในสถานะที่เป็นหัวหน้าวัดแต่หัวหน้าพ อ, อ, อทุกระดับแต่ละโรงเรียนก็หลวงพ่อก็ขอย้ำอีกเหมือนกันให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ทำดีที่สุดในสถานะที่เราเป็นพ อ, อของโรงเรียนให้รับผิดชอบที่มอบหมายให้แล้วก็ครูในโรงเรียนของพวกเรา มีอากัปกิริยาอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรในผ อ, อ, อก็ต้องเป็นผู้ตรวจตราอย่างรัดวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันพระเดี๋ยวนี้ตั้งสี่กว่าองค์หลวงพ่อก็เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องสืบสอบถามว่าองค์ไหนมีอย่างไรมีทุกอย่างไรไม่สบายอย่างไรมีความเดือดร้อนอย่างไรไม่สบายใจอย่างไรหรือมีอะไรกิจอากับกิริยาที่ไม่ถูกต้องมีไหม หลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องสอดส่องดูเหมือนกันไม่ได้ปล่อยปลาละเลยในพวกครูบ า, าอาจารย์พออก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อ่อยากจะให้พวกเราตรวจตราความพร้อมของครูบ า, าอาจารย์เพราะเราเป็นเป็นผู้รับผิดชอบเพราะเงินเดือนหรือรางวัลเงินเดือนที่พวกเราได้มาได้มาจากพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีถ้าว่าครูบาอาจารย์หรืออ อ, อ, อทาหน้าที่ อ่อนแอหรือว่าไม่สมกับเงินที่เขาว่าจ้างเขาก็จะตําหนิเราได้นี้ก็เหมือนกันอย่างวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าว่าหลวงพ่อย่อหย่อนต่อหลักพระธรรมวินยัยหรือพระเนรอยู่ในวัดของหลวงพ่อย่อหย่อนต่อหลักพระธรรมวินยัยไม่มีศีลารลาวัดทําตนเหมือนกับครวัตญาติโยมจะทําอะไรก็ทําจะร้องรำํทำทําเพลงก็ทําและพี่น้องประชาชนที่เขามาเกี่ยวข้องโอ้ มาทําบุญอย่างนี้จะได้บุญเลิศเนี่ยเสียข้าวเปล่าถ้ามาทําบุญกับพระที่มองมองเห็นเนเนี่ยไม่มีศีลไม่มีสีลายเจรวาดเลยเนะี่ยเขาก็ท้อแท้อ่อนแอท้อแท้ใจเพราะเหตุอะไรเพราะเขามาดูแล้วเอพระไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมพี่หน่อยอันนี้พวกเราครูบาอาจารย์ก็ลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะ ถ้าว่าพี่น้องประชาชนเขาไปเห็นแล้วก็ครูบาอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรไม่ได้สั่งสอนเท่าที่ควรเขาก็คงจะอ่อนอกอ่อนใจเหมือนกันเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านสรุปแล้วคือให้มองตนเองให้มองเข้ามาหาพวกเราทันทั้งหลายสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะทําสิ่งนั้นเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วสิ่งไหนที่ถูกต้องรู้แก่ใจว่าอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือความเป็นธรรม อันนี้คื อ, คอกฎระเบียบที่พวกเราเป็นครูบาอาจารย์เป็นพออแต่พวกเรานึกมองดูตนเองไว้อยู่เสมอหลวงพ่อมั่นใจว่าการพัฒนาในการศึกษาของพวกเราเนี่ยคงจะก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดเพราะเหตุไรแต่หลวงพ่อแต่ก่อนก็หลวงพ่อคิดในใจเออทำไมเด็กนักเรียนอยู่ในเมืองเนี่ยเขาทำไมจึงเรียนเก่ง แต่นักเรียนบ้านนอกแต่ททำไมจึงสู้เขาไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเป็นอาหารเพราะอาหารหรือเปล่าเพราะว่าการศึกษาของเราของเขาหรือเปล่าเพราะสิ่งแวดล้อมของเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่พอมาถึงจุดนี้หลวงพ่อเลยคิดลงมติในใจหลวงพ่อเลยว่าเด็กนักเรียนจะดีขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยครูครูต้องเป็นหลักถ้าว่าครูครูของเราใส่ใจในการศึกษา ครูเก่งในภาษาอังกฤษสอนพยายามสอนภาษาอังกฤษให้แก่ลูกหลานเพราะทุกวันนี้พวกเราจะเข้าสู่อะไรชุมชนของเอเชียที่ว่านี่แหละกลุ่มพวกเ อ, เอเชียของพ ว, นะอพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยยังอ่อนภาษาอังกฤษแต่ก่อนภาษาอังกฤษนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ตำหนิประเทศไทยเพราะเหตุไรเพราะประเทศไทยเป็นเอกราช ไม่ขึ้นต่อประเทศไหนอย่างมาเลเขาก็เก่งเพราะเหตุเพราะอยู่เขาอังกฤษปกครองเขามาอินโดนีเซียก็ใช่ประเทศลาวู่ประเทศลาวไม่ไนก็ใช่เพราะประเทศลาวอย่างน้อยเขาก็ฝรั่งเศสมาปกครองเขาอย่างเขมรฝรั่งเศสปกครองเวียดนามฝรั่งเศสปกครองแต่ประเทศไทยนะเป็นอิสระ ประ ป, ป, ปม่านี่ก็อังกฤษปกครองนะแต่พวกเราจะด้อยภาษากว่าเขาหลวงพ่อก็ยังยกให้เพราะว่าเราเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อประเทศเขาเราเรียนรู้แต่ภาษาของเราแต่ถึงยังไงมาถึงจุดนี้เราจะให้ด้อยอย่างนั้นไม่ได้ต้องพยายามพัฒนาอีกเหมือนกันอยากจะให้ไม่ให้ด้อยกว่าประเทศอื่นเขาจนเกินไป แต่ว่าการที่ได้มานะั้นเราก็ยอมรับกันว่าเราเป็นเอกราชไม่ขึ้นต่อประเทศอื่นก็ธรรมดาเราไม่ได้เรียนรู้ภาษาอื่นเราก็เรียนรู้แต่ภาษาไทยเอามาก็มาพูดมาเรียนธรรมดาแต่บัดนี้มันจะเข้าสู่อาเซียนแล้วพวกเราก็จะต้องฝึกตัวนี้อีกตัวหนึ่งอีกเหมือนกันนี่นะถ้าว่าพวกเราใส่ใจ ในการศึกษาครูบาอาจารย์ทุกระดับใส่ใจในการศึกษาวิทยาลิตอังกฤษที่เป็นวิชาหลักของพวกเราหรือวิชาเสริมอีกอย่างอื่นเข้ามาอีกหลวงพ่อดูๆแล้วเดี๋ยวนี้ชนนบทของพวกเราเนี่ยเพลอเพ อ, อจะแข่งเข้าไปในเมืองในกรุงอีกต่างหากไม่แพ้เขาถ้าว่าครูบาอาจารย์ใส่ใจนะแล้วก็ ทุกวนันอาจารย์ดาวเทียมก็ออกมาอยู่ในโรงเรียนถ้าเรารู้จักประยุกต์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถึงยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีโทษอยู่ใ น, นนั้นอีกเหมือนกันถ้าว่าพวกเราใช้ไม่เป็นพาเด็กนักเรียนเข้าไปในอินเทอร์นกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ใช่ว่าของดีอย่างเดียวของเลวอยู่ใ น, นนั้นก็มาหาศาลอีกเหมือนกันกระทาให้พวกเรา เสียหายได้ง่ายๆอีกเหมือนกันจุดนี้ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงของครูบาอาจารย์อีกอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรครูบาอาจารย์ต้องใส่ใจต่อลูกจิตของตนเองถ้าพวกเราใส่ใจอย่างนั้นแล้วลูกพ่อว่าการศึกษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็คงจะก้าวไปได้เรื่อยๆก้าวทันโลกไปได้เรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ เมืองไทยของเราฟังฟังดูแล้วก็มันยังเป็นกระจุกกระจุกอยู่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในเมืองไปสอนในโรงเรียนก็ขยักวิชาเอาไว้ไม่ได้สอนวิชาอย่างเต็มที่ถ้าจะว่าไปอีกแบบหนึ่งตามคำพูดเขาทุกวันนี้เขาว่าขอรับชั้นเชิงวิชาการใหอขอรับชั้นเชิงวิชาการคล้ายๆว่า ขอรับชันวิชาไม่สอนให้เต็มที่ในโรงเรียนแล้วก็ไปสอนที่บ้านตัวเองสอนอย่างเต็มที่ผลที่สุดคนที่ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไปสอบก็ได้แต่สอนในโรงเรียนนั้นสอนขยักวิชาเอาไว้แต่ทั้งที่กินเงินของรัฐบาลกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ออยากจะเตือนชุมชนสังคมของพวกเราเหมือนกัน มีอะไรควรจะทำให้เป็นศีลเป็นธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีมีคุณธรรมในจิตใจถ้าว่ามีวิชาแล้วก็ให้มีจรณะด้วยวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติ <c oughs> ถตามีแต่ความรู้อย่างเดียวความประพฤติ ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็จะทำให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกหัวละแหง่งเดือดร้อนุ่นวายเป็นเช่นเดียวกันความรู้คู่คุณธรรมอันนี้เป็นสมควรที่พวกเราจะต้องศึกษาเรื่องศีลธรรมเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีนำมาใช้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน ส, สังคมของพวกเรา แต่ถ้าไม่รู้จักนำมาใช้แล้วเหมือนกับเรามีเพชรดินจินดาอยู่ในมมกอยู่ในโคลนในตมทั้งที่มันคุณค่ามหาศาลถ้าเขาหยิบขึ้นมาใช้ตัวเองก็จะค่อยตื่นพวกพวกเพชรเวกขึ้นมาแต่ที่แท้มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักวิธีใช้อย่างพวกเขาพูดขึ้นมาว่า IQ EQ MQ อย่างนอ้น ไอคิวก็คือคนที่มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถเรียนดีไอคิวอีคิวเป็นผู้รับผิดชอบเอ็มคิวเป็นผู้มีนิสัยดั้งเดิมนิสัยเยือกเย็นอย่างเนี้ยแต่หลักของพระพุทธศาสนาของเรามีกอดแล้ววิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤตนะิวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูลนะอยู่ในอิอทธิพิโสในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านสอนไว้แล้วพิชชาคือคนที่มีแต่ความรู้อย่างเดียวนําความรู้นั้นมาใช้โดยที่ไม่มีเจรณะคือความประพฤติอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายจะมีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีคุณนะครับไม่มีคุณธรรมเนินทางด้านจิตใจเอากฎหมายเฉพาะอย่างยิ่คนอื่นมายแตียดบางคนอื่นมเดียวแคนอื่นเพราะตรับไม่มีคุณธรรมเนินทางด้านจิตใจเออโดยเขาก็เดือยร้อนัุกฎหาย แต่ถ้ามีคุณธรรมในจิตใจถ้าเราเอากฎหมายไปทำให้แก่คนอื่นเขาเขาไม่รู้แต่ถ้าว่าคนอื่นที่เขามาทำให้กับเราถ้าเราไม่รู้ล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรไงแต่นี้มันย้อนไปย้อนมาสรุปแล้วก็คือถ้าเราไปทำให้แก่เขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำให้แก่เราเราก็เดือดร้อนอันนี้คือคุณธรรมะคุณธรรมในจิตใจถ้ามีคนถ้าคนมีคุณธรรมในจิตใจ จะไม่ทำให้คนอื่นและจะไม่ทำให้ตัวเองจะรู้เขารู้เราเนี่แหละอันนี้แหละคือคุณธรรมศีลธรรมถากรพวกเรารู้จักวิธีใช้จะเกิดประโยชน์อย่างมากหลวงพ่อว่านะอย่างหลวงพ่อเคยแนะนำเพราะว่าขนาดที่เราจะเข้าไปสอนเนี่ยสอนมัธยมที่เป็นเด็กโตแล้วก็สอนในระดับหนึ่งถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็สอนในระดับหนึ่ง เอาจริยธรรมเข้าไปสอนเอา้านักเรียนเอสมมติว่านี่นะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่นะนักเรียนมีความเห็นยังไงทําไมพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราจะกินอะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนี้นท่านมองอยังไงมองจากพวกเราอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์เอแต่ถ้าไม่ฆ่าแล้วจะกินอะไรอ พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านมีความเห็นว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีไม่ใช่แต่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวนะฆ่ามนุษย์ก็คือสัตว์เอสัตว์วะคือสัตว์ทั้งหมดถ้าเราไปฆ่ามนุษย์ด้วยกันเขาไปเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเนี่ยเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าอย่าฆ่ากันเนอะนี่แหละสินข้อที่หนึ่งแต่ในอธินาทานก็เหมือนกันอย่าไปขโมยคนอื่นเขานะ ถ้าขโมยของเขามาขโมยของเราดเด็กกเดือดร้อนอันนี้เราพยายามยัดเยียดธรรมะหรือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้แก่โรงเรียนวันละข้อวันละเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการสอนศีลธรรมให้แก่ชุมชนเพราะว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าคนมันก้าวร้าวฟังฟังดูแล้วขาดศริยธรรมชักจะไม่เคารพ วัยยวุนวุฒมันคล้ายๆกับประชาธิปไตยเลยขอบเขตเพว่าประชาธิปไตยคำนี้ต้องรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรจรึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าว่าไม่มีตีเสมอกันไปหมดหนะลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็จะหาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้เหมือนกันนะ อ, อย่างทั้งท่านพออ้อยย เพราะ อ, อใหญ่เพรา อ, อเขตเนี่พราะ อ, อน้อยก็ต้องเคารพถึงท่านจะตัวน้อยก็ตามอายุน้อยก็ตามแต่ท่านมีความรู้ท่านมีตำแหน่งในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าถึงจะตัวเล็กก็ตามแต่เป็นผู้ผู้มีปัญญาเหมือนกับท่านเปรียบเทียบว่อจะเป็นช้างจะเป็นสัตว์ระดับไหนก็ตามนกประเภทไหนก็ตาม แต่ก็กลัวราชสีราชสีเนี่ย เ, เป็นพญาสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันม้วน ม, ม, มนุษยชาติทั้งหลายกลัวผู้กลัวผู้มีปัญญาปัญผู้มีปัญญานั่นแหละจะเป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าผู้ที่ด้อยปัญญาผู้ที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาเหมือกนกษัตริย์ทั้งหลายกลัวราชสีแต่คนทั้งหลายกลัวผู้มีปัญญานะ นี่แหลักของพุทธศาสนาท่านว่าใช้ปัญญาปัญญาคือความรอบครอบปัญญาไม่เอาเปรียบคนอื่นปัญญามีแต่เฉลียเผื่อแผ่ปัญญามีแต่แนะนสั่งสอนให้โลกทั้งโลกพรมเย็นเป็นสุขเนี่ยแต่ว่าเขาจะมาเบียดเบียนเราเราก็ต้องมาใช้ปัญญาว่าจะแก้ไขวิธีการอย่างนี้อ ย, อย่างไรที่เมื่อเขาตกทุกข์ระยากเราจะแก้ไขยังไงให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปได้สรุปแล้วก็คือใช้ปัญญาทั้งหมดสรุปแล้วปัญญาตัวที่ ปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะถ้าคิดเบียดถ้าคิดจะเบียดผู้เลียดเบียนผู้อื่นนะเป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิอะไนระใช้ไม่ได้โอ้วันนี้ได้พูดให้แขกผ อ, อ, อครูบาอาจารย์ได้ฟังพอลุงพ่อเป็นพระป่าพราะดงนะที่พูดไปนี่ก็อาจจะเข้าป่าเข้าดงไปบ้างแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายหยิบประเด็นที่เกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนต่อพวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็ออกฉลบออกนอกคางบางบางทีก็นำทำคำสอนของพระพุทธศาสนาออกมาเปรียบเทียบเคียบเคียงกันไปโลกกับธรรมธรรมกับโลกนะก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร